สเสริมเติมกันนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเราก็พากันปฏิบัติเป็นหหวใจของผู้อยู่วัดวารามเพื่อราบคุณภาพชีวิตของเรา ที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้นมาห้ายร้อยอย่าที่ไม่ดีที่เราไม่รู้ไม่เห็นแจ้งในสิ่งที่เหมือนเกิดกับกายกับใจเราเรามาปฏิบัติกาฝึกสติตามวิชากรรมฐานมีสติเห็นกายอยู่เป็นประจำ การวิชารกรรมฐานทุกวินาทีเอาลายมาสร้างอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ขึ้นมาอะไรก็ได้หายใจเข้าหายใจออกก็ได้เราก็หายใจทิ้งไปเปล่าๆหรือการเคลื่อนไหวเอาหลักกันใดหนึ่งให้มันคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวดังนั้น ลหมหายใจก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายการสำเนินสติตามแบบของสัพพัญญะบัพพะก็เป็นการเคลื่อนไหวของกายเรียกว่าสังัญญะบัพพะอาณาปาบัพพ ะ, าาบาบพะคิดบัพพะเป็นการเคลื่อนไหวของจิตไม่ได้เกิดมาคิดเคลื่อนไหวของมันเองเรื่องจิต ตัวนี่สมควรแต่ว่าเราหัดให้มันมีฐานที่ตั้งไว้ื่อมจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของจิตที่มันคิดถวานของจิตส่วนคิดจะให้เป็นโชคเป็นทุกเป็นกิล ต, ต้นหาได้เราจึงมีสติเป็นเจ้าถิ่นไว้ก่อนฝึกไว้ก่อน งันหลืนต่อไว้ก่อนอะไรมาก็จะได้เห็นถ้าไม่ฝึกหัดอะไรมาก็จะไม่เห็นจะบแล้วเข้าไปเป็นกับมันมันหลงก็จะเป็นผู้หลงมันทุกข์ก็จะเป็นผู้ทุกข์มันโกรธก็จะเป็นผู้โกรธเกิดจิต劣ตันหาเสนอก็จะเป็นไปตามจิต劣ตัหาทำตามมัน ถ้าเราไม่มีสติเป็นเจ้าถิ่นลืนต่อไว้ดูแล้วก็จะไม่เห็นสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เป็นมาจากนั้นปล่อยกายปล่อยใจทิ้งไปให้ปักผมกับความไม่ดีความผิดเท่าไรก็ไหวโลหลงไอสีสงไขหลงโกรธสีสองอฉีสงไขโกรธนับไม่ถ้วน ก็ไม่เคยเห็นเับใช้ความทุกข์เับใช้ความโกรธเับใช้เฉลีตัณหาบางทีก็มืดบอดไปเลยเสียผู้เสียคนเป็นเฉลี่ยนิสัยาราคาเฉลี่ยปนแต่งโตเฉลี่ตโกรธง่ายมัหอยเฉตหลงออกหน้าออกตา <c oughs> ก็รอบทุกอย่างนั่นคือความหลงต่อเห็นลูกก็พอใจไม่พอใจนั่นแหละคือความหลงหูได้ยินเสียงก็พอใจไม่พอใจนั่นแหละคือความหลงเหมือนต้อนรอบแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปไกลในเรื่องที่เกิดกับตากับหูโจกเรื่องกายใจฟ้าเปิดพบเป็นชาติได้เป็นเตเป็นสุรกายเป็นสุนัขโลกเป็นไรฉานได้เป็นการเกิดดับ ต้องสูบต้องทุกแ์่าวันไม่จริงเราจะมาฝึกกรรมฐานวิชาของนักบวชกว่าได้โอ้ที่เจ้าที่ได้ปุบัติขึ้นมาในโลกก็พรฝึกกรรมฐานไม่ชิดชาติวันนาตระกูลเหียนเก่งไม่ใช่เลย พระธิธาถาเนี่นเรียนเก่งจบ17กศาสตร์หีม่ายิงธนูฝันดาบนอกจะเดือาสตร์ทั่วไปมาของบ้านกองเรือนเพื่อจะให้เกิดความปลอดภัยในศัตรูผู้อ๋ลิแต่สาดร์อันที่เป็นทำห้ ปลอดภัยจากความโกรธโลภหลงไม่มีสิทธิใดสอนให้ได้นอกจากกรรมาฐานที่เราสอนตัวเราเองตัวใครตัวมันเองเราลูกก็ต้องลูกเองอเอากายเอาใจมีรูปนีนามมาสร้างเพื่อกิความรู้ใด้รูปใช่กายใช รูปเช่นนามใช่ใจนี่มาสร้างให้เกิดความรู้อาศัยให้เกิดความรู้จึงจะเกิดมีพุท ธ, ธะ่ายเป็นศาสต์แห่งพุท ธ, ธะได้คกอรู้คือตื่นคือเบอิกบานนิกรีใจอาศัยเป็นที่ตั้งของความรู้สึกตัว เวลานี่มื้อเราก็มีโอกาสไปวัดวาอาราม <c oughs> ไม่ได้ไปทำงานทำการนั้นอื่นจะมีบ้างก็เป็นอตาติเลศแต่มีฝึกไว้แล้วก็ไปเช่อการเช้งานเาหมาะแก่การงานนั่ น, น, นได้ ที่เป็นการงานชอบงานที่ไม่ชอบก็ไม่เกิดขึ้นการ เ, เห็นชอบพูดชอบคิดชอบทําชอบเลียงชีตชอบต้องใจไวชอบต้องสติไวชอบทั้งหมดาเราฝึก ให้มีสติไปนในการตามวิชากรรมฐาน6ทางไม่จนเรืนถึงที่จุดถึงมรรคถึงผลจุดหมายปลายทางของชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานเรามีกาไมีาจเพื่อมรรคผลนิพพาน ศาสนาเพื่อมรดผลนิพพานและมีวิธีปฏิบัติเพื่อมรดผลนิพพานแม้แตเราออกปั่วก็เพื่อพระนิพลาลนพานนกาสาวังเตวาบภาตคตคินิพพาลนันิกตถยะผ้าาผ้าาเหลืองผ้าขาวเพื่อพระนิพพาน ว่านสันจิกนะเอตังกาสาหวก็เหตุว่ากนเหตุให้เราได้มีเพศต่างจากญาติจากโยมแมแต่ญาติปิโยมมึงผ้าสีใดอะไรก็ตามถ้าเป็นปฏิบัติก็เปน็นเดียวกันสติเปน็นเดียวกันถ้าสีไหนถ้ามีสติเปน็นเดียวกัน ไม่มีคนหนุ่มไม่มีคนแก่ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีชาติปันนาถ้ามีสติที่กายที่ใจลู่ได้เห็นถิ่งที่มันเกิดขึ้นที่กายที่ใจดีเรื่องถูกชั่วเรื่องผิดเรืงถูกก็จะได้หลักได้ฐาน ได้ความจริงได้ความเท็จก็เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาต่อกาต่อใจสร้างความเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อความเป็นธรรมเกิดขึ้นที่กายที่ใจเพเห็นความเท็ความจริงที่มันเกิดที่กายที่ใจความไม่จริงก็อยู่ไม่ได้ หวัวนพภาคษาตุลาการพิภาคษาตัวเองให้พ้นพิษพ้นภัยพ้นอันจลายไม่มีภัยนี่เรียกว่าทมนำพาไปประพฤติ ธ, ธรรมทำก็ย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมจนไปอย่างนั้น <c oughs> เป็นไดทางจิตวิญญาณจับหลักแกนสารของชีวิตได้แต่ก่อนถ้าตั้งแต่เรามาได้ฝึกความไม่เป็นธรรมไม่มีเลยในกายในใจใครก็เบียดเบียนใจใจก็เบียดเบียนกายกาเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ เอามาลงโทษไม่แต่ความคิดก็ลงโทษตัวเองขัดต่อตเรึงให้เจ็บปวดพอเห็นหลักเกณฐานจับหลักกับฐานได้อัดความคิดจะมีสติเห็นความคิดที่ไม่ตั้งใจเห็นอาการต่านที่เกิดขึ้นมากับใจมันเป็นอันที่เป็น นามะูปที่เกิดจากรูปนามรูปนามมีท่าสีขันห้าแต่นามรูปมันเป็นเกิดนั้นการเกิดซ่อนขึ้นมาเป็นภกเป็นชาติเกิดจากอายตนะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้เป็นนามารูปเกิดเจริตาย ได้ดับเกิดับเกิดดับกา ด, ดั บ, ด, บ ด, ดับของน้ำลูกไม่ไมีซากเปมีศพ <c oughs> <c oughs> แต่มันก็เจ็บปวดเป็นทุกข์ได้เป็นขันที่ไม่เป็นอุปทานไปขันล้วนล้ว น, วนต า, นามลูกน้ำลูกน้ำเป็นขันล้วนล้วน ถ้าจะดูตามความเปจริงมันเป็นสัญญาณภัยทําให้รูปมันอยู่ได้เป็นควอมร้อนความหนาวความหิวความจุงกัดมันเจ็บเป็นสัญญาณภัยเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเทว่รู้อะไรได้ตาก็เห็นนี่แได้หูได้ยินอะไรได้ไม่มีอุปทานเพื่อที่จะไม่ให้มีภัยเกิดขึ้น แต่ดัมดลูกมันเกิดจากอาวิชาคือไม่ลูกไม่ลูกความลูกไม่ลูกความหลงไม่ลู้ความโกรไป่ลูกความทุกข์ทุกเป็นทุกสุขเป็นโศกโกรธเป็นโกรธนี่เอาวิชาแ้วหลงเป็นหลงนี่เอาวิชาถ้าวิชาเกิดขึ้นหลงก็คือลูกทุก็คือลูกโกรธคือลูก ลูกน้ำนำลูปก็ไม่มีอุปทานอุปทานขาดทั้งห้าตัวทุกทั้งติลโศสาทายาพจดว่าโดยย่อุปทานและขาดทั้งห้าเป็นตัวทุกยึดมั่นว่าฉุกคือเราทุกคือเราโกรธคือเราเลกคือเราเกลียดชังคือเราอะไรคือตัวเรา พอเห็นตามความจริงตามคุณธรรมของพระเดียบุคคลชั้นต้นต้นสกัดยาทิฏฐิไม่เอากายมันเป็นตัวเป็นตนวิจิจฉาไม่สงสัยในเรื่องที่เกิดกับกายกับใจว่ายึดบั้นถือมันเอาเท็จเอาเท็จเอาจริงกับกายกับใจขอให้ขัดแยง้ง ตัวเองและคนอื่นจงังของโกรธว่ายอมแล้วกูได้โกรธนี่เป็นสกจัตติธิเป็นทั้งวิจิจรช้าเป็นทัท้งศีลปัตปบารบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้มาทำลายอย่างนี้ลงก็สู่คุณภาพของพระเยบุคคลชั้นต้นๆเพราะ เห็นการเกิดดับของนามาลูกเผื่อหน่อยจางคายได้หลักได้ฐานเพื่อฟ้องความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นมาเอาเหลือไว้แต่ลูกสลามเพื่อใช้ให้ต่อยอดให้ไม่เกิดความดีขึ้นมามากมาย นา้บรูฟนั้นจบได้จบได้อาการกระดับหรือดับไม่เหลือของนมามบรูฟเมื่ออาการดับไม่เหลือของน้ำบรูฟหมดไปเกิดสิ้นศิษขะเกิดใจศึกขาขึ้นมาแต่ก่อผิดชินไม่แต่ทั้งนมามบรูฟ สุขเป็นสุขผิดศีลแล้วทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธผิดศีนแล้วตายสิขาไม่เกิดศีลเป็นเกิดศีลสมอที่ปัญญาที่เป็นเครื่องรับจัดสิเลสไม่เกิดเราเห็นสุขเป็นลู้ทุกเป็นลู้มีศีลแล้วมีศีลเพราะมันผิด มันไม่ถูกต้องเป็นถูกต้องในความผิดในความผิดมันเป็นความถูกในความทุกข์เป็นความถูกโดยความไม่ทุกข์จากความทุกข์โดยความไม่โกรธจากความโกรธศรษเกิดจากนี้ไม่ใช่ศศษแบบสมรธานเศที่เป็นมากเป็นผลไม่ใช่ศศษสมรธานวันหนึ่งคืนหนึ่ง เช่ขัางเชื่คลา ว, าวต่อศินศึกขาถึนศินกรจัดกิเลสเมื่อนวมาลูปไม่มีการเกิดดับื่อกายกัศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาทําลายกิเลสก็สู่ธรรมเบื้องต้นของพระเยาวลนทาลายสกขาทิฏฐิ ไม่มีตนไม่โอบกายเอาใจว่าเป็นตัวเป็นตนไม่สงสยัยเรื่องนี้ก็โววางไายตามกำลังของความเปลี่ยนความศรัทธาไม่ทอถอยได้ลดโดยชาติการปฏิบัติทำเพ้นอปางบาน ทำก็เลพาไปความทุกข์พาไ ป, อาไปขอาไม่ทุกข์พาไปเดียนความทุกข์มันพาให้ไม่ทุกข์หวันรสที่มันวิ่งไปข้างหน้าวันตกหลุมมัมก่อเพียจะพุ่งไปข้างหน้าไม่ใช่มันถอยหลังแต่มันไป มันจะมีอะไรเกิดขึ้นแม่มากระทบกระเทือนนั่งก็ไปข้างหน้าก็พ้นจากภูมินั่นไม่ใช่กับมาตกอีกไม่ใช่กับมาตกอีกมันตกแล้มันมจงไปได้พ้นจากภูมมาแล้วพ้นจากโคลนมาแล้วรวิตของเราก็เหมนกันนักปฏิบัติมากระโดดได้ตอนที่มัน มีอะเกิดขึ้นที่ไม่ถูกต้องมักระโดดไปได้ความหลงทำเรากระโดดแต่ความไม่หลงพ้นจากความหลงรวมทุกข์เราไม่มันกระโดดจากความทุกข์พ้นจากความทุกข์นี่คือมรรควิถีของชีวิต ท, ที่เหมือนพ้นไปเปิดทางหลุดพ้นไปจุดหมายปายทางอมันจันนี่ไม่ใช่ลาวสักราเสียงเสเือนเย็นย่อ ไม่ใช่เจอลัที่เพื่อมีรพวกพ้องวิวานไม่ใช่ชานจันในหนึ่งที่ไปติดอยู่กับควงศขแต่วีมุดเป็นปีมุดไปความหลุดพ้นเหมือนเราขึ้นมาหลังเขาปอบหาวันขึ้นมาทั้งบานาธาตุขึ้นมา ตกหลมจีร้อยหลุมก็ขึ้นมาได้จนถึงที่นี่แล้วก็ไม่มีหลุมเอวันถึงเราก็ไม่มีหลุมมันผ่านมาเพราะวันเดินมาจากความผิดความถูกวังทีก็ต้องออกเร่ออกแรงคนขับรถก็ต้องโดยจากเส้นทาง การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันได้พุทธะเกิดขึ้นจากความทุกข์นี่แหละถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นมาเห็นจริงจริงมาสวดสาธยาิยะพระสวดสวดธรรมว่าอะไรก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุ ก, ก, ทกข์พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกทั้งหลายเช่นนี้ เป็นทุกเป็นนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นยุทธิ์เหญนอางก็เป็นทุกข์รูปว่ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนจึงได้มาใช่ตัวตนมากว่ายึดว่าเราว่าของเราเพราะสาวกทั้งหลายก็รู้เรื่องนี้แต่ความทุกข์อย่างเอาแล้วนี่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วก็เห็นกันอยู่ ปุกเสกตัวเองนำวาจรวนช่วยสาธิพระสูตรช่วย่างทีพวกองค์อยู่ลำพังพวกเดียวก็ยังกระหึ่มในใจเพราะสินี้มี่นี้จึงมีสินี้ไม่มีิงนี้ก็ไม่มีโลกก็ไม่เที่ยงเวทานาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนเราอยู่กับ รูปกับเวทนากับสัญญาสังขารมียาหมาเป็นตัวเป็นต้นก็่ได้เสกลงไปใครที่ก็เห็นได้เสกมันไปเห็นความหมายเที่ยงในเรื่องของรูปของต่างที่ไม่ได้ผลนอกจากรูปสันนันกับความหมายเที่ยงเกิดกับทั้งอื่มอิ่มมากมาย พ่อทอจากของรักของชอบใจอีกมางมายเด็บให้ได้ป่วยอีกมากมายอยู่ดีๆก็เป็นทุกข์อยู่ดีๆกับลูกกับหลานเดินเข้าหน้าร่มกระดูกตะโพกหักกันเสียแม่ของหนูนิดร่มในห้องหน้ากระดูกตะโพกหัก แต่ก็โดนลูกคนผ่อนผ่นมันจะบอกได้ไงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นอาชีพของเขามันเที่ยงความตายคือความเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงถ้าฝากไปกับป่ากับไกยกับลูกกับดำเลยเอาประโยชน์จากมันต่อยอดมันเ พให้ความมาเที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความมาเที่ยงทุกข์เพราะความไม่ใช่ตัวตนล่อสมัยไปกันแล้วไม่อความมาเที่ยงมาเป็นทุกข์ไม่ความไม่ใช่ตัวตนมาเป็นทุกข์ไม่เอาความพลาดพาดกของหลังความพอใจมาเป็นทุกข์าทีเราโกรธก็เป็นทุกข์เราหลงก็เป็นทุกข์โกก็เป็นทุกข์ หมืนหมดสมัยแล้วออไปกันแล้วก็สู่ทางแล้วปหมู่ น, นี่มันเป็นตะกุตะกะจะเห็นเห็นเนี่ยเป็นทางเห็นเหมือนสุขไม่เป็นผู้สุขเห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ทางแล้วเดี๋ี้ดรับไม่กระทบกระเทือนผู้ปฏิบัติย่อมเข้าทางได้แบบนี้เห็นเหมืนหลง เห็นมันผิดเห็นมันถูกเห็นมันโชกเห็นมันสุก เ, เรียบถ้าเป็นเราไม่เรียบขู่ขะขู่ขะเอาผิดเอาถูกเอาได้เอาเสียทําได้ทําไมได้ทางขู่ขะเห็นเห็นมันไม่ได้อะไรไม่จะืรู้เรื่อยไปอะไรก็คือฝ่ว่าเดรู้จักตัวเข้าไปเฉย นี่คือเรามาปฏิบัติจากนี้วันหนึ่งเราผ่านอะไรผ่านเงเก่ายิ่งชมนี้ช่นานจำนานทางตอนเดินทางตัวไหนมาหลงใจใส่ใจตรงนั้นทางไหนมันเขเที่ยวจะใส่ใจตรงนั้นเหมนทางเิดที่ขอสร้างวิตรภาพ เขามีป้ายจราจรบอกก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าไปตามหมายเลขป้ายจราจรบอกเส้นทางแตวนี้เขามีเครื่องเครื่องอะไรติดรถเขาบอกผิดแล้วแยกัวาผิดแล้ ว, ข, ลวขอคกับ ผมบอกไม่ต้องดูแผนที่เผนที่ล่าสมัยแล้วไม่ต้องมาเปิดดูติดเครื่องที่หน้ารถเหมนจะบอกพอดีให้เป็นเป็นภาพได้แล้วไม่สมัยแบบนี้แล้วชีวิตเราเรก็สมัยใหม่นำสมัยบ้างนะทำนำพานให้ถึงหมายปลาทาง มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะนำพาชีวิไปถึงจุดหมายปลาทางาได้จากื้อนต้นก็คือสติท่ามกลางคือสติที่สุดคือสติมีสติแล้วแหละอยู่เพอสุขตะทุกข์เจอได้นิสติแล้วแหละอยู่ไปเจ้าปฏิทิพานที่ดีจบเท่านั้นมสติอยู่ ต่ปเป็นกระเพว่าไม่จนอะไรกับว่าลายมีสติเดียแค่นี้ทําม่ได้เลยเนี่ยจะเชือไดยากเลยนะถ้าโกรธมันยากนะเห็นมันโกรธ่ง่ายเลยทุกันยากนะเห็นมันทุกไม่เป็นทุกแต่ไม่เป็นทุกไม่เป็นผู้ทุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกพ้นจากความทุก เป็นศีนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเห็นเหมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธคนจากความโกรธน ม, มันเรียบดีถ้าเป็นผู้โกรธโอ้ยก็ขุกขามากทรํ า, ลานลำบากเจ็บปวดกระทบกระทือนโซมเหมนรถที่ไม่เดินทางกู่กะก็โสมง่าย ถปล่อยทุกเป็นทุกสุกเป็นสุกัโขขเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้ทุกมิตรภาพธรรมะเป็นทางอดิมักเห็นไปอย่างนี้ไหมร่างชีวิตเรียบเลียบไปเนี่ยโลกนี้จะมีอะไรจะดิให้มันเหยียบไปเลยเหรอเหยียบไปเลยมันมาลองราบลองไม่เหมือนทางทางมันต้องส้มชีวิตจริงๆเนี่ยมันมีในตัวมัน ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ในความหลงมีความไม่หลงในความโกรธมีความไม่โกรธแต่อย่างนี้นี่ก็พูดหลงพ่อพยาพูดฝั่งแล้วไปทำเอาเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงแล้วมันยากเด็นมันยากเป็นผู้ยากเวลามันคิดเห็นมันคิดไม่ได้เป็นผู้ผิดเห็นมันเห็นมันเห็นมันเห็นมันนจะคล่องตัว สะดวกปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้ง่ายถ้าปฏิบัติลำบากบรรลุธรรมได้ยากถ้าหลงเป็นหลงปฏิบัติลำบากบรรลุธรรมได้ยากถ้าหลงเป็นเหน็นเห็นบรรหล ง, มลงไม่เป็นผู้หลงเนี่ยปฏิบัติสะดวกบรรลุธรรมได้ง่ายสุขภาปฏิปทาปฏิบัติสะดวก ทันทัปปัญญาลู้ธรรมโดยง่ายทุกขปฏิบัติปาฏิบัตลำบากลู้ธรรมปัญญาคิดปะปัญญาอาจจะไม่ลู้เลยอัดตนสอนตนทำนะวันนี้ก็สมควรใช้เวลา